ติสังยุตหนึ่งโศตาปฏิวักหมวดว่าด้วยโสดาปฏิมักหนึ่งวาตสูตรว่าด้วยทิถิว่าด้วยทิฐิว่าลมไม่พัดเป็นต้นสองอสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันเขตกรุงสาวัตถีได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อมีอะไรเพราะถือมั่นอะไร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 มีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสเฉพาะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นที่จะทรงอธิบายเนื้อความแห่งพระภาสิตนั้นให้แจ่มแจ้งได้ภิกษุททั้งหลายฟังต่อจากพระผู้มีพระภาคแล้วจักทรงจําไว้พระผู้มีพระภาคตรัสว่า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 สตรีมีคันไม่คอดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุจสาวรเนียกไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อริยาสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการ น, นี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกและความสงสัยแม้เหตุเกิดแห่งทุก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 นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตราของเราไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพิษุททั้งหลายเพราะเหตุที่อริยสาวกละความสงสัยในฐานะหกประการนี้ได้ฉะนั้นจึงละความสงสัยแม้ในทุกขละความสงสัยแม้ในปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งทุกข์ได้ภิษุิทั้งหลาย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 ย่อมผันแปรไปในอากาศสาตวบุรุษทั้งหลายมีเตียงเป็นที่ห้านำศพไปรอยเท้าปรากฏเพียงแค่ป่าช้ากลายเป็นกระดูกขาวโพลนสีนกพิราบการเส้นสวงสิ้นสุดลงแค่เท่าฐานคนขาวบัญญัติฐานนิไว้คำที่คนบางพวกย้ำว่ามีผล น, นั้นว่างเปล่าเท็จไรสาระหลังจากตายไป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 ดักซุ่มที่ทางเปลี่ยวเป็นชู้พูดเท็จพูดทำเช่นนั้นไม่จัดว่าทำบาปแม้หากบุคคลจะใช้จักมีคมดุดมีดโกนสังหารสัตว์ในปตัตพีนี้ให้เป็นลานตากเนื้อให้เป็นกองเดียวกันเขาย่อมไม่มีบาปที่เกิดจากกรรมนั้นไม่มีบาปมาถึงเขาแม้หากบุคคล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 ผันแปรไปตามโชคชะตาตามสถานภาพทางสังคมและตามลักษณะเฉพาะของตนเศรษสุขและทุกข์ในอภิชาติทั้งหกเท่านั้นพิกสุทั้งหลายทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักพิกสุทั้งหลายเมื่อมีรูป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 กำเนิดที่เป็นประธานหนึ่งล้านสี่แสหกมืหร้กรัมห้าร้อยกรัมหกรัมสากรัมกึ่งปฏิปทา62อันตรกับ62อภิชาติ6ปริสภพมป8อาชิวกะ 4,900 ปริภาชก 4,900 น้าร้นาควาส4 9 0พันเก้าร้ออินสีสองพันรกสา0พันระโชธาต36สัญญีคันเจ็ดอสัญญีคันเจ็นิคันทีคัน8เทวดาเจ็มนุษย์เจ็ด ปีศาจเจ็ดสระเจ็ดตาไม่ไผ่เจ็ดตาไม้ไผ่เจ็ดร้อยเหวใหญ่เจ็ดเหวน้อยเจ็ดร้อยมหาสุบินเจ็ดสุบินเจ็ดร้อยมหากราบแปดมื่นสี่พันเหล่านี้ที่คนพาและบัณฑิตพากันเที่ยวเวียนไหวไปแล้ว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 ทิฏฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกภิกษุทั้งหลายทูลตอบว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำของข้าพระองค์ทั้งหลายมีพระผู้มีพระภาคเป็นหลักมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสมโพธิในวันข้างหน้าโหติจะนะเะโหติตถาคตโตสูที่17จบ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 นี้เราเรียกว่าอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันไม่มีทางตกตามมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าในว่าโหตินนะโหติตถาคตาสูตรที่18จบโสตาปฏิวัค์ที่หนึ่งจบการตอบปัญหา18ปดข้อจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือหนึ่งว่าตาสูตร 2. เอตังมะมะสูตร 3. โสอัตตาสูตร 4. โนจเมิยาสูตร 5. นัตถิทินสูตร 6. ก, กรโรโตสูตร 7. เ, เหตุสูตร 8. มหาทิฏฐิสูตร 9. สัศสตทิฏฐิสูตร 10. อสัสตทิฏฐิสูตรส1เอด อันตวาสูตร12อันันตวาสูตร13ตังชีวังตังสรีรังสูตร14อัญยางชีวังอัญยางสรีรังสูตร15โหติตถาคโตสูตร16หน้าโหติตถาคโตสูตร17โหติจนะ จะโหติตถาคตโตสูตสิบแปดเนวะโหติ น, นะโหติตถาคตโตสูตร